ภาวนาไม่เป็นเป็นอย่างไรในเมืองไทยเราเนี่ยนักภาวนาพุโทโธนักภาวนายุบหนอนักภาวนาสัมมาอารหังยังพูดจาเรื่องสมาธิไม่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นเอาเป็นอาจารย์ไม่ได้ในเมื่อนักสมาธินี่ยังเถียงกันอยู่ยังขัดคอกันอยู่เนี่ยเราถือเป็นอาจารย์ไม่ได้แสดงว่าท่านรู้แต่แบบ แต่ท่านทําสมาธิไม่เป็นเด็กน้อยหลวงพ่อเนี่ยคนหนึ่งเป็นศาสนาคริสให้ภาวนาเยซูคนหนึ่งศาสนาพุทธให้ภาวนาพุโทโธเมื่อจิตสงบจิตนิ่งสว่างรู้เตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขเหมือนกันจนเด็กมันสงสัยเอ๊ะเราคนละศา ส, สนาพระเจ้าคนละองค์เมื่อมาปฏิบัติสมาธิ ทำไมมันเป็นเหมือนกันละ่ะอาจารย์เขาก็บอกว่านี่แหละศัจธรรมของจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นแวทธาทางวิทยาศาสตร์บางอย่างพอมาบรรจบกันเข้ามันจะเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันสามารถจะลอยขึ้นบนอากาศได้อีกอย่างหนึง่งพอมันมาบรรจบกันเข้าแล้วมันเกิดระเบิดสลายตัวนี่คือกฎธรรมชาติของมัน เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจิตของเรานี่สัมผัสกับสิ่งรู้ตลอดเวลาด้วยความมีสติเราจะได้พลังทางสมาธิและสติปัญญาบางครั้งจิตมันจะสงบนิ่งสว่างลงไปได้เพราะฉะนั้นเราอย่ามาเถียงกันแค่เรื่องยุบหน่อพองหน่อสัมมาอารหังกันอยู่นี่พระนักสมาธิดังๆนี่จึงพากันพังเพราะลูกศิษย์ เพราะมันภาวนาไม่เป็นมีแต่ว่าเออไปๆเสียเอาวิชาสะกดจิตเข้าไปแทรกบ้างเอาวิชาอาคมทางสเสน่มมหานิยมแทรกเข้าไปบ้างทําให้คนติดทีเนี้ยเมื่อคนมาติดตัวตัวก็ไปติดคนพอต่างคนต่างติดกันมันก็พากันพังทั้งแถบเห็นไหมละ่ะเนี่ยคือภาวนาไม่เป็น ไม่รู้จะเลือกวิธีไหนให้ฝึกสติอย่างเดียวพวกท่านทั้งหลายที่สนใจนั่งสมาธิภาวนาอย่าไปติดวิธีการมากเกินไปเวลานี้ผู้สอนสมาธินี่ยังเถียงกันพุโทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังพูดเรื่องสมาธิยังไม่เข้าใจกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยค้่องใจแล้วสลัดทิ้งเสียอย่าไปสนใจ ให้ฝึกสติลูกเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไรเอางานในชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นอารมณ์ในการภาวนาเอาสติตัวเดียวเท่านั้นถ้าจะให้สมาธิของเราเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานกันจริงๆยึดมั่นในพระตรัยสารณคมกับศีลห้าข้อพระตรัยสารณคมคืออะไรคือจิตรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี เป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุท ธ, ธะถ้าเราส่งไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้เราก็ส่งไว้ซึ่งพระธรรมทีเนี้ตามธรรมดาผู้ที่มีจิตเป็นธรรมจะต้องมีความระวังตั้งใจเสมอว่าเราจะละชั่วประพฤติดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นกิริยาของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรารู้สึกสานึกผิดชอบชั่วดี เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตตลอดเวลาเราไปไหนเราไปกับพระพุทธเจ้าทำงานทำงานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับเราไม่พลากจากกันด้วยความมีสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่นี้อยากจะให้สำเร็จมรรคผลนิพพานจริงๆสำคัญที่สุดคือศีลศีลห้านี่แหละถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิสังโยชน์มันจะแจ้งออกไปเองพื้นฐานมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา